ทำให้เสียภาพพจน์พุทธศาสนาเขาก็คิดว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยเป็นการปกป้องพุทธศาสนาก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่ามีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะตมาก็ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะแต่ว่ามีคนมาสัมภาษณ์เมื่อวานก็บอกเข้าไปว่าถึงแม้ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าเรื่องทํานองนี้ก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็คือมีการพูดถึงความประพฤติไม่ดีของพระ บางรูปเสร็จ แ, แล้วก็ทางการก็สั่งห้ามนะเรียกว่าเซนเซอร์นะด้วยเหตุผลว่าเพื่อปกป้องพุทธศาสนาอัตมาก็ไม่แน่ใจว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยเป็นการปกป้องพุทธศาสนาหรือว่าเป็นการปกป้องอารชัชีปกป้องพระชีประพฤติตัวไม่ดีนะเพราะว่าพระอารชัชชีหรือว่าพระที่ประพฤติตัวไม่ดีนะรวมทั้งสา ม, มนเณรด้วยเนี่ย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 ก็ไม่แน่ใจนะว่าพุทธศาสนาที่เขาอยากจะปกป้องเนี่ยศาสนาเดียวกับที่พระรูเจ้าเนี่ยได้ก่อตั้งหรือสถาปนาหรือเปล่านะฟังดีๆนะพุทธศาสนาที่เขาปกป้องเนี่ยนะอาตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นศาสนาเดียวกับที่พระรเจ้าเนี่ยได้ส่งตั้งขึ้นมาหรือเปล่าเพราะศาสนาที่พระรเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นศาสนาที่ยอมรับการวิจารณ์นะยอมรับการวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นวิจารณ์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 การชี้โทษคือการวิจารณ์นั่นเองนะการวิจารณการตําหนะินี่คือศาสนาพุทธนะที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเป็นศาสนาที่ยอมรับการวิจารณ์แล้วก็ให้แนะนําให้พระเราวิจารณตัวเองด้วยอย่างเช่นเนี่ยบรรพชิตควรพิจารณาเนือหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งสประการเนี่ยก็มีข้อหนึ่งบอกว่าเนี่ยควรพิจารณาเนืองว่าเราติดเตียนตัวเองได้หรือไม่นะแล้วก็ผู้รู้ใครควรและติดเตียเราโดยศีลได้หรือไม่ ไม่ใช่บอกว่าอย่าติดเตียนนะอันนี้ไม่ถูกแล้วก็วเราก็ต้องเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนมาเตือนเราด้วยอย่างเช่นเนี่ยอยีกไม่กี่วันจะวันเป็นวันออกพรรษามีชื่อหนึ่งว่าวันมหาปรวรานาเป็นวันที่พระจะประวรานากันปารานาแปลว่าให้โอกาสอนุญาตเนี่ยให้ให้โอกาสหรืออนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีก็ให้พูดน เป็นวันที่อนุญาตให้มาวิจารณ์ตัวเราได้ให้เพื่อนพระที่จริงก็ต้องรวมไปถึงญาติโยมนี่นะวิจารณ์ได้แล้วเราก็ต้องฟังนะแม้แต่ผู้เจ้าเองก็อนุญาตนั่นเลยว่าเชิญชวนให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยได้ได้ตรวจสอบพระองค์วิจารณพระองค์พระองค์เป็นคนเชิญชวนอย่งเลยนะว่าพระองค์เนี่ยมีอะไรผิดพลาดบางก็ให้ทักท้วงแนะนํานี่คือศาสนาพุทธที่ผู้เจ้าได้ส่งตั้งขึ้นมาเป็นศาสนาที่ยอมรับการวิจารณ์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 ที่ผ่านๆมาเนี่ยหนังทํานองนี้ก็ไม่ได้วิจารณ์พุทธศาสนานะแค่วิจารณ์คนบางคนในพุทธศาสนาเช่นพระเช่นเนเนนะซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะตามเสื่อต่างๆถามว่าให้เรื่องเนนชอบผู้หญิงเนี่ยนะมันมีจริงหรือเปล่านะมันก็มีนะไม่ใช่เ น, เน่เดียพระด้วยนะมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกวันนี้ก็กําลังมีอยู่แล้วก็จะมีต่อไปมันเป็นความจริงนะที่ไม่ต้อง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 แม้มีคนชมอ่ะแม้มีคนสรรเสริญเพราะพุทธธรรมระมสงค์ก็อย่าดีใจนะพงบอกอย่าดีใจนะเพราะถ้าดีใจเนี่ยผลเสียจะเกิดขึ้นกับเธอนะชมและดีใจนี่ก็ปเจ้ามิไม่สรรเสริญนะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดผลเสียก็คือไม่ได้พิจารณาว่าเออเขาพูดจริงเขาเปล่าเขาชมจริงไหมนะก็อาจจะเกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมาได้าศาสนาผู้เป็นาศาสนาแห่งความจริงนะยอมรับความจริงไม่ว่าบวกหรือลบ แม้สิ่งที่เป็นลบก็พิจารณาให้ถูกก็เป็นประโยชน์ก็มีคนก็บอกว่าศาสนาพุทธศาสนาเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่าแต่ต้องไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมานะศาสนาพุทธนี่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเนี่ยแต่ต้องได้วิจารณ์ได้และที่จริงถ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าทนน้ําทนไฟคงทนต่อการพิสูจน์นะคงทนต่อการวิจารณ์อันนี้ถึงเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะ ถ้าอะไรที่ตามก็ตามเนี่ยมันไม่ทนน้าําไม่ทนไฟนะไม่คงทนต่อการวิจารณ์นะมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรนะเราฉะนั้นเมื่อเห็นว่าพืชศาสน า, าเป็นสถาบันศาสาสักดิ์ศรีก็ต้องนะยอมให้มีการวิจารณ์ได้เพราะว่าเราเชื่อว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยเป็นอักาลิโ ก, โกให้ผลได้ไม่จํากัดการเพราะฉะนั้นคงทนต่อการพิสูจน์นะใครจะว่าใครจะวิจารณ์ยังไงของแท้ก็ต้องเป็นของแท้อยู่วันยังค่ํา จะบอกว่าเพชรเนี่ยเป็นธาลหรือว่าเพชรเนี่ยเป็นขยะมันก็ไม่ทําให้เพชรนี่กลายเป็นขยะไปได้มันก็ยังเป็นเพชรอยู่นั่นแหละนะไอ้คําพูดเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนความจริงได้แม้คําพูดนั้นจะเป็นคําต่อว่าดาทอติฉินนินทาก็ตามดงนั้นชาวผู้เราต้องต้องมีความอดทนแล้วก็มีความมั่นคงไม่กลัวคําวิ จ, จารณ์นะแล้วก็พร้อมที่จะรับคําวิ จ, จารณ์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 สัมภาษณ์ก็ไม่ได้พูดยาวขนาดนี้แต่ะะเนื้อหาก็ประมาณนี้แหละอ้าก็เตรียมรับพร